เมื่อคราวที่แล้วเราก็ฟังมาถึงตอนที่หลังจากที่พระเทวทัตได้วางแผนให้พระเจ้าอาชาติสตรูปลงพระชนพระเจ้าพิมพิสารซึ่งพระเจ้าพิมพิสารเป็นพระราชบิดาของพระเจ้าอาชาติสตรูนะคะเหตุการณ์นี้ก็ได้สำเร็จลงไปและพระเทวทัตได้พยายามหาทางปลงพระชนพระพุทธเจ้าในหลายๆวิธีเหตุการเหล่านี้ ทางฝ่ายนิครณได้ถือเป็นจุดโจมตีพุทธศาสนาและได้ท้าทายประกาศให้นักบวชในพุทธศาสนามาโต้วาฏทะเพื่อจะพิสูจน์กันว่าหลักคำสอนของลัทธิใดจะเหนือกว่ากันพระเรวตะรับคำท้าทายนั้นเมื่อทั้งสองฝ่ายพร้อมแล้วการโต้วาทีก็เริ่มขึ้นพอเริ่มดาเนินการทางฝ่ายนิครณ ก็จะมีเล่เหลี่ยมต่างๆเพื่อจะเอาคะแนนเป็นของฝ่ายตนแต่ด้วยความชาญฉลาดของพระเรวัตตะทำให้ตางฝ่ายนิครนต้องยอมจำนนเหตุการณ์จึงได้ดำเนินไปด้วยความยุติธรรมเราก็ฟังกันมาถึงตรงนี้นะคะต่อจากนี้ไปจะเป็นอย่างไรขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ในปัจบันี้ค่ะ ข้าพเจ้าจึงอยากจะถามท่านในตอนนี้ก่อนว่าคนชั่วที่กลับตนเป็นคนดีได้เพราะได้ฟังคําสอนของพระบรมศาสดาเช่นอย่างพวกข้าพเจ้ากับคนชั่วที่กลับเป็นคนดีไม่ได้แม้จะได้ฟังพระธรรมคําคสอนของพระศาสดาอย่างพระเทวทัตพวกไหนมีจํานวนมากกว่ากันวีรสีหะทำท่าอึดอักอยู่ครู่ใหญ่เพราะไม่รู้ว่าจะตอบอย่างไรดี ตอบมาตามความเป็นจริงท่านวีรสีหะพระเถระสมทับเมื่อเห็นคู่ต่อสู้นิ่งอยู่ไม่ต้องกลัวว่าจะเสียคะแนนเพราะนี่เป็นแต่เพียงการถามเบื้องต้นเพื่อนาไปสู่ประเด็นใหญ่เท่านั้นเชิญตอบมาตามความเป็นจริงแบบนักปราดสนทนากับปราดไม่เห็นท่าทีอัลลบาของฝ่ายประปักเช่นนั้นชาวพุทธทุกคนก็ดูมีหน้าตาแจ่มใสขึ้นทันที คนชั่วที่กลับตนเป็นคนดีได้เมื่อได้ฟังคำสอนของพระสมณะโคดมแล้วมีจำนวนมากกว่าวีระศีหะตอบด้วยเสียงไม่สู้จะเต็มใจนักพอได้ยินคำตอบเช่นนั้นฝ่ายพุทธบริษัทก็เปล่งเสียงอุทานแสดงความดีใจออกมาอย่างกึกก้องทำให้ฝ่ายนิคนไม่พอใจอย่างยิ่งแต่ก็ได้พยายามระงับยับยั้งอารมณ์ไวขอบคุณมากท่านวีระีหะผู้มีอายุ พระเถระพูดต่อไปด้วยเกลียอาการเป็นปกติที่ท่านตอบออกมาตามความเป็นจริงแสดงว่าท่านเป็นปราตต์พูดรักความจริงพูดความจริงแท้ก็เมื่อท่านเองก็ยอมรับแล้วว่าคำสอนของพระพุทธเจ้าสามารถทําคนชั่วจํานวนมากมายให้เป็นคนดีได้ส่วนที่ไม่สามารถกลับใจคนชั่วได้เพียงสองคนเท่านั้นอย่างนี้เป็นการถูกต้องแล้วหรือ ที่ท่านกล่าวว่าพระธรรมคําสอนของพระบรมศาสดาของเราเป็นสิ่งไร้ผลอย่างสิ้นเชิงวีรสีหะไม่ได้ตอบคาถามของผู้แทนพุทธบริษัทได้แต่นั่งนิ่งแสดงอาการกระสับกระส่ายอยู่บนธรร ม, มาทิ์อย่างเห็นได้ชัดท่านวีรสีหะผู้มีอายุพระเถระกล่าวต่อไปด้วยน้ําเสียงเป็นปกติไม่ได้แสดงอาการว่าดีใจ ต่อความเพียงพรำของคู่ต่อสู้แม้แต่น้อยเข้าพระเจ้าต้องขอโทษถ้าหากคำถามของเข้าพเจ้าทำให้ท่านต้องเก้อเขินความจริงเข้าพเจ้าไม่มีเจตนาเช่นนั้นเลยข้าพระเจ้าเพียงแต่อย่างให้ท่านคิดให้รอบคอบก่อนที่จะกล่าวปลักปล้ำผู้อื่นเท่านั้นจึงอยู่ถ้าทำคำสอนของพระบรมศาสดาของเราอาจจะไม่สามารถทาให้คนชั่วบางคนเป็นคนดีได้ แต่จำนวนคนที่กลับตนเป็นคนดีได้มีมากกว่าดังที่ท่านเองก็ยอมรับแล้วการที่เราจะตัดสินว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งดีมีประโยชน์มีผลหรือไม่นั้นเราควรจะถือเอาคนจํานวนมากกว่าเป็นเกณฑ์การตัดสินไม่ควรจะถือเอาคนจํานวนน้อยเป็นเกณฑ์ท่านวิลัสีหะข้าพเจ้าจะอุปมาให้ท่านฟังเวชการคนหนึ่งมียารักษาโรค อันมีผลชะงักอยู่ในมือมีคนเจ็บป่วยจํานวนหลายพันได้ไปหาเขาเพื่อข อ, อยารับประทานแก้โรคภัยไข้เจ็บของตนเขาได้อาศัยความกรุณาแจกย า, ยายาให้แก่คนเจ็บทั้งปวงในจํานวนคนเจ็บเหล่านั้นคนเจ็บเป็นอันมากเมื่อบริโภค ย, ยาวิเศษนั้นแล้วก็หายจากโรคภัยไข้เจ็บมีคนเจ็บเพียงคนเดียวหรือสองคนนั้น ที่บริโภคยาแล้วไม่หายจากโรค ก, การที่คนคนหนึ่งจะอ้างเอาคนผู้ไม่หายเจ็บสองคนนั้นเป็นเล่ดแล้วกล่าวตาหนิว่ายาของเวชการคนนั้นไม่มีผลท่านเห็นว่าข้อกล่าวหาของเขามีเหตุผลควดเชื่อได้หรือไม่วีรสศีหะ ย, ยังคงนั่งนิ่งไม่ตอบเพราะถ้าขึ้นตอบก็จะเป็นการสนับสนุนฐานะของฝ่ายพุทธบริษัท ให้มั่นคงแข็งแรงยิ่งขึ้นแต่การไม่ตอบของเขาก็แสดงให้เห็นความเสียเปรียบในเชิงเหตุผลและวาถะของเขาอย่างชัดเจนเอาละท่านวีรศีหะพระเถระกล่าวต่อไปหวังว่าท่านคงจะทําความเข้าใจเสียใหม่ว่าพระธรรมของพระบรมศาสดาของเรามีผลแล้วก็เลิกตําหนิติดเตียนต่อไปก่อนที่ฝ่ายตนจะถูกผลักดัน ไปอยู่ในฐานะที่เสียท่ามากขึ้นนิครนผู้เป็นประธานได้ลุกขึ้นยืนประกาศด้วยใบหน้าแสดงความโกรธและความอับอายว่าเ อ, อเป็นอันว่าบัดนี้ผู้แทนฝ่ายพุทธบริษัทก็ได้แก้ข้อกล่าวหาของฝ่ายนิครนตกไปแล้วการโต้ตอบกันในวาระแรกนี้ให้ถือว่าเป็นอันเสมอกันตามข้อตกลงเพราะฝ่ายตอบสามารถตอบคาถามของฝ่ายถามได้ ต่อไปนี้ขอให้คู่โต ว, ว่าทีเข้าสู่ประเด็นอื่นต่อไปเข้าไปเจ้าใครจะขอร้องให้ฝาห่ายผู้แทนพุทธบริษัทเป็นฝา่ายเริ่มถามบ้างเม <tw ard> <ๆ>ื่อการโตว่าทียกแรกจบลงประชาชนทุกฝ่าย ก็เห็นได้อย่างชัดเจนว่าพระเรวตะเถระผู้แทนพุทธบริษัทเป็นฝ่ายได้เปรียบเพราะสามารถแก้ข้อกล่าวหาของปรปักษ์ตกไปได้อย่างสวยงามและยังสามารถไล่ต้อนเอาคู่ต่อสู้ไปจนติดมุมพูดไม่ออกประชาชนที่อยู่รอบนอกซึ่งเคยหวั่นวิตกว่าฝ่ายพุทธจะเพี่ยงพรำเริ่มเกิดความหวังและความมั่นใจว่าชาวพุทธจะเป็นฝ่าย ชนะในการโต้วาทีประวัติศาสตร์ครั้งนี้แน่พอนิครนเทราผู้ทําหน้าที่เป็นประธานพูดจบและนั่งลงพระเรวัตเถระก็พูดขึ้นว่าขอบคุณมากท่านประธานที่ให้โอกาสแก่ข้าพเจ้าเป็นผู้ถามปัญหาที่ข้าพเจ้าจะถามต่อไปนี้เป็นปัญหาเกี่ยวกับหลักคําสอนบางอย่างในลทัทธิของท่านเองจุดประสงค์ที่ถามก็เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจยังแจ่มแจ้งในข้อที่ข้าพเจ้าและผู้ฟังบางคนยังเครือบแคลงสงสัยไม่ใช่ตอบโต้เอาแพ้เอาชนะไม่มีเจตนาร้ายที่จะหักล้างย่ํายีลัทธิศาสนาของท่านแต่ประการใดก่อนอื่นข้าพเจ้าใคร่ขอถามว่าลัทธินิครนของท่านเป็นลัทธิกรรมวาสยึดมั่นในหลักของกรรมใช่หรือไม่ใช่วีระศีหาตอบ ข้าพเจ้าก็ได้ยินได้ฟังมาเช่นนั้นพระเรวตะเถระกล่าวต่อไปแต่ยังไม่แน่ใจแจมแจ้งว่ารัติกรรมวาดของท่านมีความหมายแค่ไหนอย่างไรข้าพเจ้าค่อขอเชิญให้ท่านอธิบายหลักของกรรมในาศาสนาของท่านให้ข้าพเจ้าฟังก่อนท่านเรนวตะผู้มีอายุวีรศิหะเริ่มอธิบายหลักกรรมในาศาสนาของเรามีลักษณะแตกต่างจากกรรม ในศาสนาของท่านอยู่บ้างคือหลักกรรมในศาสนาของท่านถือว่าการกระทาที่จะจัดเป็นกรรมได้นั้นจะต้องมีเจตนาหรือความตั้งใจความจงใจอยู่ด้วยจึงจะเป็นกรรมเช่นกระทาด้วยเจตนาพูดด้วยเจตนาคิดด้วยเจตนาถ้าผู้ทำพูดคิ ด, ดโดยไม่ตั้งใจไม่จัดเป็นกรรมและไม่มีผลส่วนในศาสนาของเราเราถือว่า การกระทําการพูดและการคิดไม่ว่าจะมีเจตนาหรือไม่มีเจตนาจัดเป็นกรรมทั้งนั้นมีผลทั้งนั้นเพราะฉะนั้นหลักกรรมของท่านจึงหยาบกว่ามีขอบเขตจํากัดส่วนหลักกรรมของเราละเอียดกว่ามีขอบเขตกว้างขวางกว่าขอบคุณมากท่านวีรศรีหะพระเถระพูดขึ้นเท่าที่ข้าพเจ้าฟังท่านอธิบายมาก็รู้สึกว่าหลักกรรมของท่าน ละเอียดระออดีและมีขอบเขตกว้างขวางกว่าของเราแต่ข้าพเจ้ายังสงสัยต่อไปอีกว่าถ้าการกระทําการพูดการคิดทุกอย่างไม่ว่าจะมีเจตนาหรือไม่มีจะเป็นกรรมหมดเราจะต้องได้รับผลหมดกรรมที่คนบ้าใบ้เสียจริตกับคนธรรมดากระทําก็มีผลเท่ากันกรรมที่คนนอนหลับละเมอไปกระทํากรรมที่คนพูดตื่นอยู่กระทํา ก็มีผลเท่ากันกรรมบางอย่างที่สัตว์กระทากับคนที่กระทาก็มีผลเท่ากันอย่างนั้นใช่หรือไม่ใช่แล้ววีระศีหะตอบอย่างมั่นใจถ้าอย่างนั้นคนบ้าทำบาปกับนักปราชญ์ทำบาปทั้งสองคนนี้ตกนรกด้วยกันใช่ไหมพระเถระถามอีกก่อนที่ข้าพเจ้าจะตอบข้าพเจ้าขอย้อนถามท่านก่อนธรรมดาไฟ ย่อมเป็นของร้อนใช่หรือไม่ใช่แล้วพระเริวัตะตอบคนบ้าเอามือจับไฟกับนักปราดเอามือไปจับไฟทั้งสองคนจะรู้สึกร้อนเหมือนกันไหมวีนะศีหาถามอย่างได้ทีก็ร้อนเหมือนกันพระเลยวัตะยอมรับถ้าอย่างนั้นคนบ้า ท, ทำบาปกับนักปราดทำบาปก็ตกนรกเหมือนกัน คำตอบพร้อมด้วยข้อเปรียบเทียบอันคมคายของวีรศีหะทำให้ผู้แทนพุทธบริษัทนิ่งอึง้งไปครู่หนึ่งพร้อมๆกันนั้นสาวกของนิครนต่างก็มีหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสขึ้นทุกคนมองดูวีรศีหะด้วยดวงตาแสดงความชื่นชมฝ่ายพุทธบริษัตต่างจ้องดูพระเรวตะด้วยความกังวลใจหลักธรรมของท่านฟังดูก็รู้สึกว่าให้ความยุติธรรมดี พระเถระกล่าวขึ้นในที่สุดเพราะไม่ว่าใครทำดีให้ผลเท่ากันไม่ว่าจะมีความตั้งใจหรือไม่มีความตั้งใจก็ให้ผลเท่ากันแต่ข้าพเจ้าอยากจะถามย้ำอีกทีว่าการที่ต้นไม้ต้นหนึ่งล้มลงจัดเป็นกรรมหรือไม่เป็นกรรมเหมือนกันวิรัสีหะตอบด้วยอาการร่าเริงก็พอจะสรงเคราะห์เข้าเป็นกรำได้ ถ็าต้นไม้ที่ลมนั้นบังเอิญไปทับคนตายเข้าเล่าท่านวิลสีหะต้นไม้จะเป็นบาปหรือไม่วิลสีหะอึดอักอยู่ครู่หนึ่งแล้วตอบไปด้วยความไม่ค่อยจะมั่นใจนักว่าก็เข้าใจว่าเป็นบาปเหมือนกันดีละท่านวิลสีหะถ้าต้นไม้ลมทับคนเป็นบาปลมพัดบ้านเรือนคนพัทงทลายก็เป็นบาปไฟไหม้บ้านคนเสียหายวอดวายไฟก็เป็นบาป น้ำป่ารากมาท่วมข้าวกล้าในไร่นาของชาวบ้านน้ำก็เป็นบาปดินถล่มพังทับคนบาดตายดินก็บาปอย่างนั้นใช่หรือไม่วีรศีหะแสดงความลังเลใจอย่างเห็นได้ชัดแต่แล้วก็ตอบยืนยันตามหลักเดิมของตนว่าก็เป็นบาปทั้งนั้นท่านสาธุชนทั้งหลายพระฤวตะหันไปประกาศต่อฝูงชนขอให้ท่านทั้งหลาย รับฟังไว้ว่าตามหลักกรรมของรัตินิค น, นั้นการกระทำทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าจะมีเจตนาหรือไม่มีเจตนาจัดเป็นกรรมทั้งนั้นถ้าคนคนหนึ่งฆ่าคนอีกคนหนึ่งตายด้วยเจตนากับการที่ต้นไม้ล้มทับคนตายต้นไม้และคนคนนั้นชื่อว่าทาบาปเหมือนกันสาหรับคนนั้นคงจะไปตกนรกแน่นอนแต่ต้นไม้ต้นนั้นก็ทําบาปแล้ว จะตกนรกหรือไม่ข้าพเจ้าก็ไม่ทราบไฟเผาว่านคนแล้วไฟจะต้องไปตกนรกหรือไม่ข้าพเจ้าก็ไม่ทราบแล้วจะไม่ซักไซ้ไล่เลียงท่านวิลัสเสหะให้เสียเวลาขอให้ท่านทั้งหลายพิจารณาดูก็แล้วกันว่าหลักธรรมอันกว้างขวางของท่านมีเหตุผลควรเชื่อถือได้หรือข้าพเจ้าอยากจะถามในเรื่องกรรมอีกต่อไปเมื่อบุคคลทากรรมแล้วกรรมให้ผลอย่างไร กรรมที่บุคคลทำแล้วจะก่อให้เกิดสดิระจิตใจสติปัญญาและความสุขความทุกข์ทั้งปวงในชาติต่อไปเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างที่เราได้รับอยู่ในชาตินี้ก็เป็นผลแห่งกรรมเก่าที่เราได้กระทำไว้ในชาติก่อนทั้งสิน้นวีระศีหะอธิบายอย่างคล่องแคล่วเข้าไปเจ้ายัางรู้สึกสงสัยในข้อที่ท่านกล่าวว่าสุขทุกข์ทั้งปวง ที่เราได้รับอยู่ในบัดนี้เป็นผลแห่งกรรมเก่าทั้งสิน้นข้าพเจ้าใค้จะขอถามท่านต่อไปว่า mm. เมื่อท่านบำเพ็ญตบะทรมานตนให้ลำบากโดยวิธีต่างๆนั้นได้รับทุกขเวทนาหรือไม่ได้รับสิวิระสีหะตอบแล้วทุกขเวทนานั้นจะเป็นความสุขหรือความทุกข์ก็จัดเป็นความทุกข์วิระสีหะตอบด้วยท่าทางงงๆดีละ ท่านวีรศีหาผู้มีอายุข้าพเจ้าใกล้จะขอถามท่านว่าความทุกข์ทรมานที่เกิดจากการบำเพ็ญตบะนั้นเป็นผลของกรรมในชาติก่อนหรือว่าเป็นผลแห่งการกระทําของท่านเองในชาตินี้วีรศีหาได้ฟังก็นิ่งไปอีกเพราะจนป่อเหตุผลของพระเถระเมื่อเห็นได้ทีพระเถระได้ถามคําถามอีกว่าท่านวีรศีหะ โปรดตอบมาตามความเป็นจริงว่าความทุกข์ทรมานนั้นเกิดจากกรรมในอดีตชาติหรือเกิดจากกรรมในชาตินี้เองแม้พระเถระจะถามอีกเป็นครั้งที่สวีระศีหะก็ยังนั่งนิ่งไม่ตอบตามเดิมเพราะถ้าตอบตามความจริงก็จะต้องตอบว่าความทุกข์ทรมานนั้นเป็นผลแห่งการกระทําของตนเองในชาตินี้คําตอบเช่นนั้นก็จะคัดค้านกับคํายืนยัน ของตนเองที่ว่าสุขทุกข์ทั้งปวงเป็นผลแห่งกรรมในอดีตชาติวีรศีหะจึงหาทางออกด้วยการนั่งนิ่งท่านผู้เป็นประธานพระเถระพูดกับนิคนทราข้าพเจ้าได้ซักถามท่านวีรศิหะด้วยคำถามเดียวกันถึงสามครั้งแต่ท่านก็มิได้ตอบแสดงว่าท่านไม่สามารถจะตอบข้อซักถามของข้าพเจ้าได้เพราะฉะนั้นข้าพเจ้าจึงควรได้หนึ่งคะแนน ในคราวนี้ในที่สุดนิคนทราผู้เป็นประธานจำต้องให้คะแนนแก่ฝ่ายพุทธบริษัทหนึ่งคะแนนชาวพุทธทั้งมวลในมหาสันนิบาตต่างเปล่งเสียงสาธุ ก, การดังกึกก้องอารามยังความอัปยศอดสูให้เกิดแก่นิคนบริษัทเป็นอย่างยิ่งบัดนี้ก็ถึงวาระของผู้แทนฝ่ายนิคนจะถามปัญหาบ้าง วิรสีหะได้กล่าวขึ้นด้วยเสียงสั่นพร่าเพราะความโกรธและความอับอายว่าท่านเลยวัตะผู้มีอายุท่านอย่าเพิ่งภาคภูมิใจว่าท่านจะได้คะแนนนำหน้าข้าพเจ้าไปแล้วหนึ่งคะแนนคราวนี้ข้าพเจ้าจะไล่ต้อนท่านให้จนเอาคะแนนเท่าเทียมท่านให้ได้ขอเชิญท่านวิรสีหะผู้มีอายุผามได้ตามชอบใจพระเถระกล่าวด้วยน้ำเสียงเป็นปกติ ถ้าข้าพเจ้าตอบคาถามของท่านได้ท่านก็ไม่ได้คะแนนแต่ถ้าข้าพเจ้าจนต่อเหตุผลของท่านตอบคาถามของท่านไม่ได้ท่านก็ได้คะแนนตามกติกาที่ตกลงกันไว้แล้วขอเชิญท่านถามเถิดตามลัธิคําสอนของพระสมณะโคดมนั้นการกระทําที่ประกอบไปด้วยความตั้งใจจึงจะจัดเป็นกรรมใช่หรือไม่วีรศรีหัถามเกี่ยวกับเรื่องกรรมอีกใช่ พระเถระตอบยืนยันการกระทําโดยไม่มีเจตนาไม่มีความตั้งใจทําไม่จัดว่าเป็นกรรมใช่หรือไม่ใช่พระเถระยืนยันอย่างเดิมดีละท่านเลวะตะผู้มีอายุขอให้ท่านจําคําของท่านไว้ให้ดีข้าพเจ้าอยากจะถามต่อไปว่าถ้าท่านไม่รู้ไม่เห็นไม่มีเจตนาแต่เดินไปเหยียบฝูงมดตายมดตายลงเพราะการกระทําของท่านใช่หรือไม่ ก็ตายสิท่านวิลสีหะนิครนวิลาสีหะยิ้มตอบคาตอบของพระเถระอย่างมีความหวังแล้วถามต่อไปว่าต่อมาท่านทราบว่าท่านเหยียบมดฝูงนั้นตายโดยไม่มีเจตนาท่านเห็นฝูงมดตายเกลื่อนกราดอยู่แทบเท้าของท่านท่านรู้สึกสงสารมดเหล่านั้นและเสียใจต่อการกระทําโดยไม่เจตนาของท่านหรือไม่ข้าพเจ้าต้องสงสารฝูงมด และรู้สึกเสียใจอย่างแน่นอนท่านเลวตะวิรสีหะกล่าวอย่างลำพองเมื่อท่านเหยียบมดโดยไม่มีเจตนามดก็ตายลงเช่นเดียวกับเหยียบด้วยเจตนาและท่านก็รู้สึกสงสารมดผู้เคาะหลายเหล่านั้นและรู้สึกเสียใจต่อการกระทําของตนก็แสดงว่ากรรมที่ท่านกระทําโดยไม่มีเจตนานั้นก็มีผลเท่ากับกรรมที่กระทําด้วยเจตนาละสิ คำถามอันชานฉลาดของวิลสีหะทําให้พระเถระนิ่งอึ้งไปทีเดียวก่อนที่วิลสีหะจะถามสำทับอีกเป็นการก่มขวัญพระเถระก็จึงพูดขึ้นเสียก่อนว่าท่านวิลสีหะก่อนอื่นท่านจะต้องเข้าใจหลักธรรมของเราเสียก่อนการกระทําที่ประกอบด้วยเจตนาเราจัดว่าเป็นกรรมซึ่งจะมีผลในระยะกาลนานกรรมบางอย่างก็ให้ผลข้ามภพข้ามชาติ แต่กรรมบางอย่างให้ผลในปัจจุบันแล้วก็เสร็จสิ้นลงในปัจจุบันแล้วแต่กรรมหนักกรรมเบาและแต่เจตนาของผู้กระทําการกระทําที่ไม่ประกอบด้วยเจตนาเราไม่เรียกว่ากรรมเป็นแต่เพียงกิริยาอาการเท่านั้นกิริยามีผลเหมือนกันผลของกิริยาเรียกว่าปฏิกิริยากิริยาทุกอย่างย่อมมีปฏิกิริยาเป็นผลเสมอปฏิกิริยา จะอ่อนหรือแรงแล้วแต่ความแรงของกิริยาเปรียบเหมือนบุลลตีกลองถ้าตีแรงเสียงกลองก็ดังแรงถ้าตีเบาเสียงกลองก็ดังเบาการเดินไปเหยียบสัตว์ตายโดยไม่มีเกตนาจัดเป็นเพียงกิริยาไม่จัดเป็นกรรมอาการที่สัตว์ตายเป็นปฏิกิริยาอาการที่บุคคลผู้เหยียบสัตว์ให้ตายเกิดความสงสารและเสียใจ จัดเป็นปฏิกิริยาชั่วคราวเท่านั้นแม้สิ่งไร้ชีวิตจิตใจก็อาจทำกิริยาและมีปฏิกิริยาได้เช่นต้นไม้ล้มทับคนเป็นกิริยาคนตายเป็นกิริยาไฟไหม้เป็นกิริยาการที่บ้านเรือนถูกไฟไหม้พินาศไปเป็นปฏิกิริยาแต่การกระทำของต้นไม้และของไฟหาใช่กรรมไหมการที่ไฟไหม้เป็นกรรม ไฟก็จะต้องได้รับผลกรรมจะต้องตกนรกจะต้องได้รับผลข้ามภพข้ามชาติต่อไปซึ่งเป็นไปไม่ได้ขอให้ท่านเข้าใจตามนี้ด้วยเมื่อฟังคําอธิบายของพระเถระจบลงแล้ววีระศริห ก, ก็ยิ้มอย่างเห็นลู่ทางที่จะเอาชนะได้แล้วจึงถามขึ้นว่าท่านเลวตะข้าพเจ้าใคร่จะถามท่านว่ากริยาแปลว่าอะไรตามรูปศัพท์ แปลว่าการกระทําพระเถระตอบกรรมเล่าแปลว่าอะไรวีรศิหะถามอย่างรวดเร็วก็แปลว่าการกระทําถ้าอย่างนั้นกริยาหรือกรรมก็คือการกระทําเหมือนกันเป็นอันเดียวกันเมื่อกรรมกับกริยาเป็นอันเดียวปฏิกริยาหรือผลของกรรมก็เป็นอันเดียวกันใช่หรือไม่วีรศิหะจ า, าประโยคสุดท้ายอย่างหลักแน่น ทำให้ในคนณบริษัทดูท่าทางกระปี้กระเปร่ายิ่งขึ้นโดยพยัญชนะแล้วกรรมกับกริยาก็เป็นอันเดียวกันปฏิกิริยากับผลกรรมก็เป็นอันเดียวกันแต่โดยอัธยาแล้วกรรมกับกริยาต่าง ก, ก, กันกรรมหมายถึงการกระทําของบุคคลผู้มีสติสมบูรณ์ด้วยเจตนาหรือความตั้งใจส่วนกริยาหมายถึงอาการเคลื่อนไหวของคนสัตว์หรือแม้สิ่งของ ที่ปราศจากชีวิตจิตใจปฏิกิริยาคือผลสะท้อนชั่วคราวอันเกิดจากกริยานั้นๆส่วนวิบากหรือผลกรรมคือสะท้อนที่ผู้กระทำกรรมจะได้รับช้าหรือเร็วแล้วแต่แรงกรรมท่านเลวตะวีรศิหะกล่าวด้วยเสียงเยอะๆะอยู่ในทีถึงแม้ท่านจะอธิบายวกวนไปมาอย่างไรก็ไม่สามารถทาให้ข้าพเจ้า และประชาชนผู้ฟังเข้าใจไข้เขววไปได้เป็นอันขาดถึงแม้ท่านจะได้สับแสงอย่างไรข้าพเจ้าก็ยังคงเห็นว่ากรรมกับกริยาเป็นอันเดียวกันและมีผลเท่ากันอุปมาเรื่องกองของท่านเองนั่นแหละช่วยสนับสนุนข้อยืนยันของข้าพเจ้าเพราะตามความเป็นจริงนั้นธรรมดากรองย่อมดังในเมื่อคนตีไม่ว่าจะมีเจตนาหรือไม่มีเจตนา กลองก็ดังเหมือนกันเมื่อเป็นเช่นนี้ท่านจะกล่าวว่ากิริยาหรือการกระทําที่ไม่มีเจตนาไม่มีผลได้อย่างไรข้าพเจ้าไม่ได้กล่าวว่ากิริยาไม่มีผลพระเลวะตะเทระพูดสวนขึ้นทันควันด้วยเสียงค่อนข้างดังมีเหมือนกันแต่เป็นผลชั่วคราวไม่ได้ติดตามไม่ได้ให้ผลข้ามภพข้ามชาติเหมือนผลของกรรม วีระีหะยิ้มอย่างพอใจที่สามารถทำให้คู่ต่อสู้เกิดโทสะขึ้นได้บ้างเขารู้ดีว่าในการต่อสู้ทุกอย่างเฉพาะอย่างยิ่งในเชิงเหตุผลและคารมผู้ที่ถูกโทสะครอบงำแล้วเหตุผลย่อมหายไปและจะมีทางพ่ายแพ้แก่ศัตรูได้ง่ายขึ้นเอาละท่านเรวัตะผู้มีอายุวีระสีหะกล่าวอย่างอารมณ์เย็น เป็นอันว่าท่านยอมรับว่ากรรมและกิริยาต่างมีผลเหมือนกันแม้เราจะถกเถียงกันมาอย่างยืดยาวในที่สุดก็มาลงเอยตามข้อยืนยันเดิมของข้าพเจ้าคือการกระทาทุกอย่างไม่ว่าจะมีเจตนาหรือไม่มีเจตนาก็จัดเป็นกรรมทั้งนั้นจะต้องมีผลทั้งนั้นท่านมีอะไรจะยืนยันเพิ่มเติมอีกหมถ้าไม่มีข้าพเจ้าจะถือว่า ท่านไม่สามารถจะตอบคำถามของข้าพเจ้าได้แล้วข้าพเจ้าจะได้ขอคะแนนจากท่านผู้เป็นประธานวีรศิหะพูดแล้วก็หันไปโปรยยิ้มให้แก่พรรคพวกของตนด้วยความภูมิใจท่านวีรศิหะพระเถระกล่าวขึ้นด้วยเสียงหนักแน่นและด้วยหน้าตาที่เคร่งเครียดครั้งหนึ่งมีเสือโคร่งตัวหนึ่งยืนอยู่เคียงข้างกับแมวตัวหนึ่งมีบุรุษสองคน มาพบเสือโคร่งกับแมวนั้นเข้าจึงเกิดการโต้เถียงกันขึ้นคนหนึ่งเห็นว่าเสือโคร่งกับแมวนั้นเป็นสัตว์อย่างเดียวกันอีกคนหนึ่งเถียงว่าเป็นสัตว์คนละชนิดเวลานี้เราทั้งสองอยู่ในฐานะเช่นเดียวกับบุรุษสองคนนั้นท่านเปรียบเหมือนบุรุษคนแรกที่เห็นว่าเสือโคร่งกับแมวเป็นสัตว์ชนิดเดียวกันส่วนข้าพเจ้าเปรียบเหมือนบุรุษคนที่สองที่เห็นเสือโคร่งกับแมว เป็นสัตว์คนละชนิดเมื่อเป็นเช่นนี้เราก็ไม่มีทางจะตกลงกันได้เพราะมองกันคนละแง่ถ้าขืนถกเถียงกันในข้อนี้ต่อไปก็คงจะเสียเวลาเปล่าถ้าท่านเห็นด้วยข้าพเจ้าอยากจะขอพักประเด็นนี้ไว้ก่อนแล้วไปสนทนากันถึงเรื่องอื่นต่อไปท่านจะว่ากอะไรข้าพเจ้าไม่ยอมวีระีหะพูดอย่างแข็งขันท่านจะหยุดไม่ได้จนกว่าจะอธิบายประเด็นนี้ ให้แจมแจ้งเป็นที่พอใจแก่ข้าพเจ้าถ้าท่านอธิบายไม่ได้ก็หมายความว่าท่านจนต่อเหตุผลของข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะต้องได้หนึ่งคะแนนตามกติกาท่านจะว่าอย่างไรพระเถระนั่งคิดอยู่ครู่หนึ่งแล้วก็พูดขึ้นว่าดูท่าทางท่านกระหายอยากจะได้คะแนนเหลือเกินนะท่านวีระศีหะเมื่อเห็นกิริยาอาการของท่านแล้วข้าพเจ้าแทบจะอยากยกคะแนนให้ท่านเสียเลย แต่เมื่อหวนคิดถึงสุภาษิตที่ว่าพึงให้แก่บุคคลที่สมควรรับข้าพเจ้าก็จําเป็นต้องหยุดไว้ก่อนประเด็นที่เราโต้เถียงกันอยู่ในเวลานี้อยู่ที่ว่าท่านเห็นว่ากรรมกับกริยาเป็นอันเดียวกันแต่ข้าพเจ้าเห็นว่าต่างกันท่านเห็นว่าปฏิกิริยากับกรรมวิบากเป็นอันเดียวกันแต่ข้าพเจ้าเห็นว่าต่างกันถ้าอย่างนั้นข้าพเจ้าก็อยากจะถามท่านอีกท่านรู้เห็นอย่างไร ก็ขอให้ตอบตามเป็นจริงเสือกับแมวมีลักษณะคล้ายคลึงกันมากใช่หรือไม่ใช่ท่านภูมิอายุวิรศิหะตอบด้วยท่าทางสบายใจแต่ขนาดของเสือกับขนาดของแมวแตกต่างกันมากใช่หรือไม่ใช่เสือมีขนาดใหญ่กว่าแมวมากการกระทําด้วยเจตนากับการกระทําโดยไม่มีเจตนาเป็นการกระทํา เหมือนกันใช่หรือไม่พระเถระถามต่อไปใช่ข้าพเจ้ายืนยันข้อนี้มาตั้งแต่ต้นการที่ท่านกําลังพูดอยู่เวลานี้ท่านมีเจตนาหรือไม่มีสิท่านเรวตัตตวีรศิหะตอบแสดงความประหลาดใจถ้าท่านพูดโดยไม่มีเจตนาท่านจะเอาชนะข้าพเจ้าได้หรือไม่วีรศิหะนั่งนิ่งอยู่เพื่อหนึ่งเพราะไม่ทราบว่า คู่ต่อสู้จะมาในรูปใดแต่แล้วก็ตอบว่าจะเอาชนะท่านไม่ได้การพูดโดยมีเจตนากับการพูดโดยไม่มีเจตนาอย่างไหนจะมีเหตุผลมีความเป็นระเบียบได้เรื่องได้ราวดีกว่ากัน ก็การพูดโดยมีเจตนามีเหตุผลได้เรื่องได้ราวดีกว่าแล้วสิถ้าอย่างนั้นก็หมายความว่าท่านยอมรับว่าท่านกระทำโดยเจตนากับการกระทำโดยไม่มีเจตนามีลักษณะแตกต่างกันมากพ๋อแตกต่างกันแต่ก็เป็นการกระทำที่เหมือนกันวีระศีหะตอบรับแต่ก็ยังไว้รวดดายของตนข้าพเจ้าถามแต่เพียงว่าแตกต่างกันหรือไม่เท่านั้น ขอให้ท่านยืนยันในข้อนี้พระเรวัตถามซ้าอีกอ๋อแตกต่างกันเมื่อการพูดโดยมีเจตนาอาจจะทำให้ท่านชนะข้าพเจ้าได้แต่การพูดโดยไม่มีเจตนาอาจจะทำให้ท่านพ่ายแพ้แน่นอนก็แสดงให้เห็นชัดว่าผลของการกระทาโดยมีเจตนาและไม่มีเจตนาก็แตกต่างกันมากใช่หรือไม่ใช่แต่มันก็เป็นผลเหมือนกันนี่ วีรศีหะตอบแบบเล่นสำนวนตามเคยเขาไเจ้าขอให้ท่านยืนยันอีกครั้งว่าผลของมันแตกต่างกันมากแตกต่างกันมากใช่ใช่ใชวีรีิหะยืนยันในที่สุดก็เป็นอันว่าบัตรนี้ท่านยอมรับแล้วว่ากรรมกับกริยาต่างกันปฏิกิริยากับผลของกรรมก็ต่างกันเท่ากับท่านยอมรับว่าเสือกับแมวมีขนาดต่างกันมาก เมื่อสักครู่นี้ท่านได้ขอร้องให้ข้าพเจ้าอธิบายกรรมกับกิริยาและกรรมวิบากกับปฏิกิริยาให้จำแจ้งบัดนี้ข้าพเจ้าก็ได้อธิบายอย่างจำแจ้งจนท่านเองก็ยอมรับแล้วว่าแตกต่างกันข้าพเจ้าจึงได้ทำหน้าที่ของตนสมบูรณ์แล้วเมื่อพระเถระพูดจบลงประชาชนต่างหันไปจ้องดูวีรสีหะเป็นตาเดียวกันและคอยดูว่า เขาจะโต้อตอบว่าอย่างไรแต่ปรากฏว่าวีรสิหะไม่ได้ตอบโต้ อ, อย่างใดเพราะถ้าจะเถียงอีกว่ากรรมกับกิริยาหรือกรรมวิบากกับปฏิกิริยาเป็นอันเดียวกันก็จะเป็นการคัดข้านตัวเองเพราะตนได้ยอมรับแล้วว่าการกระทําด้วยเจตนาและไม่มีเจตนาแตกต่างกันและผลก็แตกต่างกันด้วยในที่สุดจึงตกอยู่ในฐานะ อ, อึง้งพูดไม่ออก ฝ่ายนิคนชราผู้เป็นประธานเมื่อเห็นผู้แทนของตนเสียท่าเสียทีแก่ฝ่ายปรปักจึงพูดตัดบทขึ้นเป็นการกู้หน้าว่าเออท่านทั้งหลายข้าพระเจ้าเห็นว่าปัญหาเรื่องกรรมและกิริยานี้ได้ถกเถียงกันมานานพอสมควรแล้วข้าพระเจ้าเห็นว่าควรจะยุติได้สำหรับคราวนี้เมื่อท่านวีรศรีหะเป็นฝ่ายถามและท่านเรวตะสามารถตอบได้ ก็เป็นอันว่าเสมอกันไปไม่มีฝ่ายใดได้คะแนนข้าพเจ้าเห็นว่าการโต้วาทีสำหรับวันนี้ก็ได้ใช้เวลามากแล้วสมควรจะยุติทัิทีวันพรุ่งนี้ข้าพเจ้าในนามของนิครขอเชิญท่านเรวัตต์มาโต้กับฝ่ายเราอีกเพื่อให้แพ้ชนะกันเด็ดขาดลงไปสำหรับวันนี้ก็ขอเลิกการประชุมท่นิครชลาประกาศจบ ฝูงชนก็ทยอยกันกลับสู่เคหาสถานของตนฝ่ายพุทธบริษัทอันมีเทวมิตะอุบาสกเป็นประมุข ก, ก็ตรูกันเข้าไปรุมล้อมแสดงความยินดีกับพระเทระและยกท่านขึ้นสู่เสลียงหามเข้าขาบวนแห่อันเอิบกระเลิกกลับสู่พระเวรุวานณาราม ชัยชนะของชาวพุทธและความพ่ายแพ้ของพวกนิกครนในการโต้ ว, วาทีวันแรกได้แพร่สพัดไปทั่วพระนครราชกลุอย่างรวดเร็วนำความปลื้มปิติมาสู่ชาวพุทธทั่วหน้าพุทธบริษัททุกเพศทุกวัยต่างหลั่งไหลไปสู่พระเวรุวนณารามเพื่อแสดงความชื่นชมต่อพระเรวะตะเถระและสนทนาปราศัยระหว่างตนเองพระเถระต้องอยู่สนทนา กับบรรดาอุบาสกอุบาสิกาจนสิ้นมัชชิมยามสภาพภายในอารามของพวกนิครมีลักษณะตรงกันข้ามกับพระเวรวนารามอย่างสิ้นเชิงพวกนิครณและสาวกต่างประชุมกันด้วยหน้าอันหม่นหมองด้วยความเสียใจต่อความพ่ายแพ้ของตน วีรศีหะซึ่งเสียอกเสียใจมากพออยู่แล้วเพราะความพ่ายแพ้ของตนยังถูกบรรดาพวกนิครนกลุ่มลุมต่อว่าและด่าว่าต่างๆนานาจนนั่งก้มหน้านิ่งด้วยความแค้นใจและความอับอายไม่โต้อตอบแต่อย่างใดทั้งสิ้นดูเป็นที่น่าสงสารเห็นใจมากเมื่อไม่สามารถจะทนต่อผลสวาสดและอุปวตัตของพรกพวกได้ เขาจึงหลบหนีไปเสียจากอาลามของนิครณตั้งแต่คืนวันนั้นโดยไม่ได้บอกใครว่าหลบไปไหนและบรรดานิครณทั้งหลายก็ดูเหมือนว่าจะไม่สนใจว่าเขาหายไปไหนเพราะเขาจะอยู่หรือจะไปก็ไม่มีความหมายแต่อย่างใดเนื่องจากพวกนิครณได้ประชุมตกลงกันแล้วว่าจะไม่ให้วีระศีหะเป็นตัวแทนเข้าโต้วาทีกับฝ่ายพุทธอีกต่อไปเพราะเขาได้แสดงให้เห็นแล้วว่า เป็นผู้ไร้ความสามารถไม่สามารถจะเอาชนะในเชิงคารมต่อผู้แทนของชาวพุทธได้หลังจากประชุมปรึกษาหารือกันอยู่เป็นเวลานานพวกนิครนก็เลือกเอานิครนหนุ่มคนหนึ่งชื่อติดถัาระเป็นผู้แทนของตนเข้าโต้ ว, วาทีกับผู้แทนพุทธบริษัทอันติดถัาระนี้แม้จะยังหนุ่มมีอายุเพียงสปีแต่ก็เป็นผู้มีความรู้แตกฉาน ในรัธิของตนและรัธิอื่นๆเท่าที่มีอยู่ในมัธยมประเทศเป็นผู้มีชาววัยวหวพลิบดีและววหานปฏิพันธ์คารมคมคายยิ่งกว่านั้นยังมีสักเป็นหลานขององค์พระประสาสดามหาวีระอีกด้วยความจริงในการโตวาทีวันแรกติดถ ป, ปาระเกือบจะได้เป็นผู้แทนเข้าโตวาทีกับพระเวัตะแต่บังเอิญแพ้คะแนนเสียงแก่วีระีหะ เพียงหนึ่งคะแนนเท่านั้นที่ประชุมจึงจําเป็นต้องเลือกเอาวีรศีหะเป็นผู้แทนของตนเมื่อวีรศีหะประสบความพ่ายแพ้กลับมาจึงตกเป็นหน้าที่ของติฐาปาระอย่างไม่มีปัญหาติฐาปาระจึงเป็นความหวังของนิครนทั้งปวง ลุงขึ้นบรรดาอุบาสกอุบาสิกาที่เคยใส่บาตรแก่พระเรวตะทุกเช้ารู้สึกประหลาดใจเป็นอย่างยิ่งที่ไม่เห็นพระเถระมารับบิณฑบาต ท, ที่เคหสถานของตนแม้จะตั้งตาคอยจนเวลาสายมากแล้วก็ไม่ปรากฏวีแววของพระเถระในที่สุดอุบาสกอุบาสิกาผู้ใกล้ชิดบางคนรวมทั้งเทวมิตรอุบาสกด้วย ก็ได้ออกไปยังพระเวรุวนารามอย่างรีบเร่งเพื่อถามข่าวคราวของพระเถระเทวมิตรอุบาสกรู้สึกว่ามีความวิตกกังวลเป็นพิเศษเพราะเกรงว่าพระเถระจะแอ บ, บหลบหนีไปเสีย จ, จากพระนคร ร, ราชกฤห์เพราะท่านเคยพูดเสมอว่าจะออกเดินทางไปกรุงพระนารสีก่อนฤดูฝนเมื่อไปถึงอารามทุกคนก็รู้สึกตกใจแทบสิ้นสติ เมื่อได้ทราบว่าพระเถระกาลังนอนสมด้วยพิษไข้ความตรากตําทั้งทางกายและทางจิตใจตลอดเวลาที่ผ่านมาบวกกับดินฟ้าอากาศที่กําลังจะเปลี่ยนไปพร้อมกับการเปลี่ยนฤ ด, ดูกาลทําให้ท่านเป็นไข้บรรดาอุบาศกอุบาสิกาต่างวิ่งหุ่นหาหมอแะยาต่างๆเท่าที่พอจะหาได้มารักษาพยาบาลพระเถระในขณะเดียวกันอุบาศกผู้ใหญ่ ก็หันหน้าเข้าปรึกษากันว่าจะจัดการอย่างไรดีกับการโตวาทีในวันนี้เพราะพระเถระย่อมไม่สามารถจะไปร่วมได้อย่างแน่นอนเมื่อขาดพระเถระเสียแล้วก็ไม่มีภิกษุรูปใดในกลุ่มราชครึ่ที่แตกฉานในพระธรรมวินัยและมีคารมณ์พอที่จะต่อสู้กับพวกนิครดได้อุบาสกอุบาสิกาทั้งหลายพระเถระกล่าวขึ้นด้วยเสียงเบ า, เบา ถ้าหากท่านทั้งหลายไม่สามารถจะหาผู้แทนที่เหมาะสมไปโต ว, วาทีกับเขาแทนอัตมาได้ก็ควรส่งทูตไปเจราจากับเขาขอร้องให้พวกนิครนเลื่อนการโต ว, วาทีออกไปจนกว่าอัตมาจะหายป่วยทุกคนเห็นด้วยกับความเห็นของพระเถระที่ประชุมจึงตกลงส่งเทวมิตาอุบาสกไปเจราจากับพวกนิครนในตอนสายเทวมิตาอุบาสก ได้กลับมาด้วยใบหน้าอันเคร่งเครียดพวกนิคนไม่ยอมเขารายงานให้ทีประชุมฟังเขายืนยันที่จะให้เราส่งผู้แทนไปโต้วาทีกับเขาในบ่ายวันนี้ให้ได้ถ้าเราไม่ส่งผู้แทนไปโต้กับเขาเขาจะถือว่าเรายอมแพ้แล้วเขาจะประกาศให้ทั่วเมืองว่าฝ่ายพุทธบริษัทยอมแพ้เขาแล้วทุกคนถึงกับนิ่งเงียบไปครู่หนึ่ง เพรู้สึกงงงันตอนนัทีอันไม่มีความเห็นอกเห็นใจของฝ่ายนิครณได้มีการปรึกษาหาลือกันอย่างเคร่งเครียดครู่หนึ่งว่าจะให้ใครเป็นตัวแทนพุทธบริษัทดีทุกคนต่างหมดปัญญาเพราะไม่มีใครเหมาะสมเลยนอกจากพระเลวะตะเถระภิกษุในพระอารามซึ่งเหลืออยู่เพียงไม่กี่องค์ก็ล้วนแต่เป็นภิกษุชราและเข้ามาอุปสมบทในพระศาสนาอย่างไม่นานทางนั้น เอาละอัตามาจะไปโต้กับเขาเองพระเถระกล่าวขึ้นอย่างเด็ดขาดในที่สุดว่าแล้วก็ลุกขึ้นนั่งทําท่าเตรียมตัวจะไปแต่แล้วท่านก็กลับลงนอนตามเดิมเพราะรู้สึกเวียนศีรษะหน้ามืดจะเป็นลมเมื่อเห็นเช่นนั้นทุกคนก็รู้ได้ทันทีว่าพระเถระไปไม่ได้แน่และเขาจะไม่ยอมให้พระเถระไปเป็นอันขาดแม้จะมีความตั้งใจเด็ดเดี่ยวทึ้งย่างไรก็ตาม ทุกคนก็รู้ดีว่าท่านมีแต่กําลังใจอย่างเดียวเท่านั้นท่านผู้เจริญและท่านสัต์บุรุษทั้งหลายเทวมิตรอุบาสกกล่าวขึ้นหลังจากนั่งนิ่งฟังคนอื่นมาตลอดเวลาข้าพเจ้าได้ทราบว่าการโต้วาทีวันนี้ทั้งฝ่ายนิครณได้ให้ติถะปาระเป็นผู้แทนขึ้นโต้ติถะปาระนี้เท่าที่ข้าพเจ้าได้ทราบก็ปรากฏว่า มีความรู้ความสามารถเป็นลองวีละศีหะข้าพเจ้าเองได้ศึกษาปฏิบัติมานานในสำนักของพระเถระเชื่อ ว, ว่าตนมีความรู้ความสามารถพอที่จะไปโต้กับติดถปาละได้ถ้าท่านทั้งหลายไม่ขัดข้องข้าพเจ้าก็จะขอรับอาสาเป็นผู้แทนชาวพุทธขึ้นโต้วาทีกับติดฐปาละเสียเองคำประกาศอย่างห้าวหาญของเทวมิตาอุบาสกทำให้ทุกคนตื่นเ ง, งนไปทีเดียว ก็ไม่เคยนึกฝันว่าเทวมิตรจะกล้ารับอาสาทำงานอันยิ่งใหญ่และล่อแหลมต่ออันตรายเช่นนี้แต่เมื่อได้ประชุมปรึกษาหารือกันเป็นเวลานานแล้วในที่สุดก็ตกลงให้เทวมิตรกระทำตามที่ตนอาสาได้อย่างน้อยที่สุดก็ยังดีกว่ายอมแพ้โดยไม่ส่งใครไปเลยถ้าเทวมิตรชนะคู่ต่อสู้ผู้เพลงปรลาดได้ก็จะเป็นการยกฐานะของชาวพุทธให้สูงยิ่งขึ้น เพราะแสดงว่าลำพังเครือหัตก็ยังสามารถเอาชนะนักบวชนิครณผู้แตก้านในทําได้แต่ถ้าแพ้ก็ไม่น่าจะเสียหายอะไรมากนัก มของนิครที่เชิงเขาอุทัยเต็มไปด้วยฝูงชนผู้สนใจในการโตอวอาทีครั้งยิ่งใหญ่นั้นจำนวนคนฟังได้เพิ่มมากขึ้นกว่าวันก่อนเป็นทวีคูณเพราะประชาชนที่ยังไม่ทราบข่าวการโตอวอาทีก็ไม่ได้มาฟังในวันก่อนเพิ่งจะทราบและมาฟังในวันนี้ประชาชนที่มาฟังแล้วยังติดใจในคารมของพระเลวะตะเถระก็ติดตามมาฟังอีก แต่เมื่อทราบว่าพระเถระมาไม่ได้แต่มีเทวมิตรอุบาสกมาแทนทุกคนก็ดูจะผิดหวังไม่น้อยแต่ก็ยังเชื่ออยู่ว่าเทวมิตรอุบาสกคงจะมีอะไรดีๆอยู่เป็นแน่ฝ่ายพุทธบริษัทจึงได้คัดเลือกเอามาเป็นตัวแทนของตนดูก่อนอุบาสกติฐปาระกล่าวขึ้นเมื่อได้เวลาเริ่มต้นโตวาทีจงดูเทวมิตรอุบาสก ด้สายตาแสดงอาการดูหมิ่นข้าพเจ้าอาสารับขึ้นมาโต ว, วาทีในวันนี้ก็ด้วยหวังว่าจะได้ประกาศลมกับพระเลวตะเถระผู้เสมอกันด้วยเพศด้วยศีพลพรตด้วยสติปัญญาและความรู้หรือถ้าเลวตะเถระป่วยจรงิงก็น่าจะได้ส่งพระภิกษุผู้ทรงศีลหรือพรตมาสู้กับข้าพเจ้าแต่บัดนี้ฝ่ายพุทธบริษัทกับส่งเครือหัด ผู้ยังครุกคลีด้วยบุตรภรรยาผู้ยังบริโภคกามขึ้นมาต่อสู้ในสงครามวาทะกับข้าพเจ้าข้าพเจ้าถือว่าเป็นการดูหมิ่นเหยียดยามข้าพเจ้าอย่างร้ายแรงที่สุดในชีวิตพอได้ทราบว่าทางฝ่ายพุทธบริษัทส่งคฤหอขัดมาต่อสู้กับข้าพเจ้าข้าพเจ้าเกือบจะไม่ยอมลดเกียรติของตัวเองมาเผชิญหน้ากับท่านแต่ไหนๆท่านก็ขึ้นสู่ธรรมะแล้วถ้าข้าพเจ้า จะลงจากขามาดหนีไปเสียก็น่าสงสารเห็นใจบรรดาประชาชนพูดตั้งใจจะมาฟังเป็นอันว่าข้าพเจ้าจะยอมสู้กับท่านแต่จะสู้ด้วยความรู้ปัญญาคาลมเพียงครึ่งเดียวของข้าพเจ้าเท่านั้นท่านผู้เจริญเทวมิตรอุบาสกพูดสวขนขึ้นกลางคันเพราะไม่สามารถที่จะอดทนต่อการดูถูกเหยียดยามอย่างจงแจ้งของคู่ต่อสู้เสียไม่ได้ อย่ามัวพูดอ้อมคอมให้เป็นการชักช้าเสียเวลาเลยท่านอยากจะถามอะไรก็ถามมาเถิดข้าพเจ้ากระหายที่อยากจะโต้กับท่านเต็มทีแล้วพุทธบริษัทที่เห็นคำพูดและท่วงทีอันทึกฮักด้วยความโกรธของผู้แทนฝ่ายตนต่างเกิดความวันวิตกว่าจะเสียท่าแกบประปะักเพราะเขารู้ดีว่าคำพูดทั้งหมดของติดฐปาละเป็นแต่เพียงอุบายอันชานฉลาดของนัก ผู้เูดเจนจัดเพื่ออย่างเชิงของคู่ต่อสู้เท่านั้นได้สิอุบาสกติถปาละพูดแล้วก็หัวเราะลงลูกคออย่างอารมณ์เย็นเป็นการยั่ว ย, ย้าวโทสะของคู่ต่อสู้แต่ข้าพเจ้าจะถามท่านเพียงปัญหาเดียวเท่านั้นถ้าท่านตอบได้การโต้วาทีวันนี้ก็จะดําเนินต่อไปถ้าท่านตอบไม่ได้ก็ไม่มีประโยชน์อะไรที่จะสนทนากันต่อไป ปัญหาที่ข้าพเจ้าจะถามนี้ยังไม่ใช่ปัญหาลึกซึ้งเกี่ยวกับลัทธิของเราทั้งสองแต่จะเป็นปัญหาสำหรับทดสอบภูมิธรรมของท่านดูเท่านั้นว่าท่านจะมีภูมิธรรมสมควรจะสนทนากับข้าพเจ้าหรือไม่ปัญหามีอยู่ว่ามีวัตถุอยู่สิ่งหนึ่งซึ่งคนทำไม่อยากได้คนซื้อไม่อยากใช้คนใช้ก็ไม่รู้เรื่องสิ่งนั้นคืออะไร คำถามแบบปริศนาของติถาภาระทำให้เทวมิตรอุบาสกนิ่งงันไปทันทีไม่เฉพาะเทวมิตะอุบาสกเท่านั้นที่งงงันต่อปัญหานั้นแม้คนฝังทั้งปวงก็งงงันไปด้วยและพยายามคิดหาคำตอบเป็นการใหญ่เทวมิตรพยายามคิดจนเหงื่อโสมกายก็คิดไม่ออกจึงนั่งนิ่งก้มหน้าอยู่ด้วยความอับอายครู่ใหญ่ผ่านไปติถาภาระ จึงแหงนหน้าหัวเราะเสียงดังก้องอารามอย่างผู้มีชัยแล้วกล่าวว่าอุบาสกเอ๋ยปริศนาธรรมง่ายๆเท่านี้ท่านก็ยังคิดไม่ออกแล้วท่านจะมาโต้ตอบในหลักธรรมอลึกซึง้งในศาสนาของเราทั้งสองได้อย่างไรข้าพเจ้าขออำลาท่านไปก่อนเมื่อพระเรวตะเตระหายป่วยแล้วขอให้มาโต้กับข้าพเจ้าก็แล้วกันว่าแล้วก็ลงจากธรร ม, มาภิ์ไปอย่างผู้มีชัย พอติฐปาระลงจากธรรมาทไปเท่านั้นมหาสัญบาทก็กระจายนิครนและเหล่าสาวกต่างตรู่ันเข้าไปหาติฐปาระยกเขาขึ้นสูบาแบกแห่แหนไปรอบๆปา ร, รัฝ่ายชาวพุทธต่างทยองกันกลับเกศสถานด้วยอาการเงื่องงอยฝ่ายประชาชนที่เป็นกลางขณะที่เดินทางกลับบ้านต่างบ่นเสียดายว่าการโต ว, วาทีเสร็จสิ้นลงเร็วเกินไป บางคนก็ตำหนิท่าทีอันหญิงยโสเกินไปของติฐะปาละแต่หลายคนก็กล่าวชมเชยความเก่งกล้าสามารถของเขาในกา ร, รเผด็จศึกลงได้อย่างรวดเร็วแทบทุกคนเห็นพ้องต้องกันว่าถ้าติฐะปาละได้ประคะลมกับพระเรวะตะคงจะน่าดูน่าฟังอย่างยิ่งแม้พระเรวตะจะสามารถเอาชนะวีรสีหะได้ในครั้งแรกถ้าได้พบกับติถะปาละ ก็ไม่แน่นักว่าท่านจะเอาชนะได้อย่างง่ายดายบางทีอาจจะเพี้ยงพร้ำพ่ายแพ้แก่ติดทาปาระก็ได้ขึ้นวันนั้นที่พระเวรุวนณารามอุบาสกอุบาสิกาคนสำคัญรวมทั้งเทวมิตรอุบาสกด้วยได้ไปประชุมปรึกษาหารือกับพระเลวะตะเถระซึ่งถึงแม้จะยังป่วยอยู่ก็รู้สึกสบายขึ้นมากแล้วไม่ต้องเสียใจอุบาสก พระเถระกล่าวปลอบโยนเทวมิตรอุบาสกซึ่งตกอยู่ในอาการซึ่มเศร้าเศร้าใจไม่พูดไม่จาการที่ท่านพ่ายแพ้เขากลับมาจะไม่นำความเสียหายมาให้แก่พุทธบริษัทแต่อย่างใดเพราะท่านเป็นเพียงเครือหัดส่วนคู่ต่อสู้เป็นบัรพระชิตผู้แตกฉานในธรรมการที่ทิฏฐาปาระหยุดการโต ว, วาทีลงอย่างปัจจุบันทันด่วนนั้น แม้จะเป็นการหักหน้าเราอยู่บ้างแต่ตมาก็เห็นว่าเป็นประโยชน์แก่ฝ่ายเราเพราะเขายังไม่ได้ถามปัญหาอันลึกซึ้งเกี่ยวกับหลักธรรมในาศาสนาของเขาหรือของเราถ้าเพียงปิศนาข้อเดียวเท่านั้นจึงยังไม่มีฝ่ายใดได้คะแนนเป็นอันว่าเวลานี้เรายังคงนําเขาอยู่หนึ่งคะแนนเพราะฉะนั้นอยากคิดอะไรให้มากไปนักข้าพเจ้าเองเป็นคนใจร้อน เทวมิตรกล่าวขึ้นด้วยเสียงแหบเครือพอถูกเขายั่วย้านิดหน่อยก็เกิดโทสะเสียแล้วทางนี้ก็เพราะว่าไม่เคยต่อการโต้วาทีอีกอย่างหนึ่งข้าพเจ้าก็ไม่คิดไม่ฝันว่าเขาจะถามปริศนาเช่นนั้นคิดว่าเขาจะถามในข้ออัดข้อทำอันมีสาระกว่านั้นเลยไม่ได้เตรียมตอบปริศนาไว้พอถูกถามถึงปริศนาก็งงไปหมดคิดอะไรไม่ออก อุบาสกชราคนหนึ่งพูดขึ้นว่าเออรู้สึกว่าเป็นปริศนาที่ลึกลับเสียด้วยข้าพเจ้าเองก็ยังตีความไม่ออกจนกระทั่งบัดนี้ข้าพเจ้าเองก็ไม่รู้เหมือนกันเสียงอุบาสกคนอื่นๆในที่ประชุมกล่าวขึ้นเกือบพร้อมกันพระเรวตะเถระหัวเราะลงคออย่างอารมณ์เย็นแล้วก็พูดขึ้นว่าความจริงปริศนานี้ก็ไม่ได้ลึกซึ้งเกินไปนัก แต่ผู้ถามถามโดยโวหารสำนวนอย่างฉลาดเราจึงคิดไม่ถึงอาตมาจะบอกให้ก็ได้ว่าสิ่งนั้นคืออะไรสิ่งที่ผู้ทามไม่อยากได้คนซื้อไม่อยากใช้คนใช้ไม่รู้เรื่องก็คือลงใส่ศพนั่นเองพอพระเถระกล่าวจบเท่านั้นทุกคนก็ร้องอุทานออกมาด้วยความแปลกใจพร้อมกันเทวมิตะเอง พังงกศิษะขึ้นลงช้าๆและยิ้มแยะๆกล่าวว่าโธของง่ายๆแค่นี้เองทำไมนะข้าพเจ้าจึงนึกไม่ถึงในเวลานั้นก็คงจะเนื่องจากถูกความโกรธครอบงำละมั้งอุบาสกชราคนเดิมกล่าวขึ้นเป็นเชิงร้อเลียนทำให้เทวมิตรอุบาสกรู้สึกลายทั้งนึกฉุนตัวเองที่พลาดท่าเสียทีแก่คู่ต่อสู้ด้วยปิศาง่ายๆแค่นั้น เอาละพระเถระประกาศขึ้นหลังจากมีการถกกันถึงคำตอบปริศนานั้นอยู่ครู่หนึ่งเรื่องนี้ผ่านมาแล้วก็ขอให้แล้วกันไปงานข้างหน้าของเรายังมีอีกบัดนี้อาตมาก็สบายขึ้นมากแล้วคิดว่าอีกวันหรือสองวันก็คงพอจะไปโตวาทีกับพวกนิครนได้วันรุ่งขึ้นขอให้คนใดคนหนึ่งในพวกท่านไปแจ้งแก่พวกนิครนว่า ในวันที่สามนับจากวันพรุ่งนี้ไปอาตมาจะไปโต ว, วาทีเพื่อเอาแพ้อเอาชนะกันให้เด็ดขาดเป็นครั้งสุดท้ายขอให้ท่านทั้งหลายช่วยไปประกาศให้ทั่วพระนครราชครื ด, ด้วยว่าพระเรวัตเตระผู้แทนพุทธบริษัทจะไปโต ว, วาทีกับติถธตธาละผู้แทนเหล่านิครนที่อารามของพวกนิครนที่เชิงเขาอุทยัยในวันที่สานับจากวันพรุ่งนี้ไป และขอให้ประกาศด้วยว่าการโต้ ว, วาทีในวันนั้นจะเป็นการโต้กันครั้งสุดท้ายเพื่อเอาแพ้เอาชนะกันให้เด็ดขาด ชือจิตตกะได้ถูกส่งไปยังสำนักของพวกนิครนเพื่อเจรจาโต ว, วาทีครั้งสุดท้ายตามคำสั่งของพระเถระพวกนิครนได้ตกลงรับข้อเสนอของฝ่ายพุทธบริษัทด้วยความยินดีเพราะเชื่อว่าติถตาปาระจะต้องเป็นฝ่ายชนะอย่างแน่นอนในบ่ายวันเดียวกันนั้นเองก็มีการป่าวประกาศไปตามถนนต่างๆแห่งกรุงราชครึว่าจะมีการโต ว, วาทีครั้งยิ่งใหญ่ ระหว่างผู้แทนของฝ่ายพุทธบริษัทคือพระเรวัตเถระและติถาภาระนิกรตผู้เป็นหลานของศาสดาหมหาวีระเ mm hmm. มื่อถึงวันนับหมายอารามอันกว้างใหญ่ไพศาลของพวกนิกรตเต็มแน่นไปด้วยประชาชนทุกเพศทุกวัยที่กระหายอยากจะฟังการโต้ ว, วาทีประวัติศาสตร์นั้นและหลั่งไหลไปจองที่นั่งไกลๆ ก, กับธรรมาทของคู่ต่อสู้ตั้งแต่เช้า เมื่อถึงเวลาติตถ า, าระได้ก้าวขึ้นสู่ธรรมาทุด้วยอาการยิ้มแย้มแจ่มใสด้วยเชื่อมั่นในชัยชนะของตนอย่างเต็มที่พระเรวตะเถระได้กล้าวขึ้นบนธรรมาทุด้วยอาการปรกติแต่ทุกคนก็สังเกตเห็นอย่างชัดเจนว่าหน้าตาของท่านดูซีดเซียวลงไปบ้างเพราะความเจ็บป่วยที่เพิ่งผ่านไปท่าทางอันแตกต่างอย่างเห็นได้ชัดระหว่างพระเถระกับคู่ต่อสู้ ทำให้พุทธบริษัทและประชาชนผู้เอาใจช่วยพุทธบริษัทรู้สึกไม่สบายใจอย่างยิ่ง